ฝืนใจเพียงใดอดทนได้เพื่อพ่อแม่เมื่อท่านตัดสินเป็นที่ลงใจแล้วท่านจึงกลับมาหาแม่และบอกแม่ว่า เรื่องการบวชจะบวชให้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้ศึกไม่ได้นะบวชแล้วจะศึกเมื่อไรก็ศึกใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้นะแม่ตอบทันทีว่าเออสาธุถ้าเจ้าจะบวชให้แม่ก็สาธุโถ แม่ไม่ว่าอะไรหรอกเรื่องศึกขอแต่ว่าได้บวชก็พอแล้วถ้าลูกบวชแล้วศึกออกมาทาั้งๆที่คนที่ไปบวชยังไม่กลับบ้านก็ตามแม่จะศึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆอย่างนั้นแม่ก็ไม่ว่าคำตอบของแม่เช่นนี้ทำให้สะดุดใจคิดทันทีว่า ก็ใครจะเป็นพระหน้าด้านมาศึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆที่ไปบวชเราได้ไม่บวชเสียมันดีกว่าเมื่อบวชแล้วมาศึกต่อหน้าต่อตาคนมันยิ่งขาย ข, ายขี้หน้ากว่าอะไรเสียอีกนั่นเหตุการณ์ในตอนนี้ท่านเล่าแบบขบขันถึงความฉลาดของแม่ ที่รู้ถึงนิสัยจิตใจท่านเป็นอย่างนี้ดังนี้ฉลาดไหมล่ะฟังเอาใครไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาอุปชัยยะก็ยังไม่หนีพระกรรมวาจาก็ยังไม่หนีพระสงฆ์ก็ยังไม่หนีกันผลก็แน่นอยู่นั้นออกมาจะมาสึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆนี้ มันไม่ขายหน้าโลกกระเทือนโลกเหรอไม่บวชเสียไม่ดีกว่าหรือมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทําไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้วว่านิสัยของเราเป็นยังไงนิสัยเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่ การประพฤติเนื้อประพฤติตัวแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงๆการประพฤติตัวไม่เคยทะเลทลายพราแม่ว่างันเอาบวชบวชละทีนี้พอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ ในหลักธรรมวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้อย่างนานสองปีคิดไว้นะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์คือจะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ลงกันได้แล้วท่านจึงตัดสินใจบวชและเป็นที่น่าแปลกใจว่าการเตรียมการบวชนี้กลับไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางทุกสิ่งทุกอย่างดูพร้อมไปหมดเลยการตัดสินใจในครั้งนี้สร้างความปิติยินดีแก่พ่ออย่างมากท่านเล่า เหตุการณ์ตอนนี้ว่าพอมาบวชเท่านั้นนะพ่อแมมรู้สึกดีใจจริงๆนะอะไรอะไรเตรียมให้หมดทุกอย่างเลยเรียกพี่ชายมาให้พี่ชายเป็นคนจัดบริหารเพราะพี่ชายเคยบวชเป็นเนนมาแล้วเขารู้เรื่องผ้าสบงจีวรอะไรอะไรมอบให้พี่ชายเลย ซื้ออะไรอะไรให้ก็เอาของดีๆนะบวชก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานจะบวชปีสองปีเท่านั้นแหละแล้วก็จะสึกตามประเพณีของโลกเขาบวชให้พ่อดีใจ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 แม่นี่ให้ตายซะดีกว่านะอย่าให้ได้ยินนะลูกนะนี่ล่ละที่แม่วิตกมากที่สุดนอกกนั้นแม่ไม่มีอะไรเลยละวิตกการนอนของลูกเหมือนตายนะลูกนะให้ตั้งตัวใหม่นะ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 ระชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนกว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันขึ้นเก้าค่ำเดือนเจ็ดปีจอตรงกับวันอังคารที่ส2บสองพฤษภาคมพุทธศักราชสอง7็สิเจ็ด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 จะให้ภาวนาอย่างไงเราถามท่านเออให้ภาวนาว่าพุทโธนะเราก็ภาวนาพุทโธเหมือนกันแหละท่านก็สอนเท่านั้นเราก็ไปภาวนาพุทโธด้วยความเลื่อมใสพอใจในการภาวนากลางคืนดึกๆจะลงมาเดินชมกลมทุกคืนนะ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 หดเข้ามาพร้อมๆกันพอนึกพุโทโธกับสติทียิบเข้าไปเหมือนดึงจอมแห่กระแสของจิตที่มันซ่านไปในที่ต่างๆมันจะหดตัวเข้ามาเหมือนตีนแห่หดตัวเข้ามาลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเราก็ยิ่งเกิดความสนใจก็เลยพุโทโธทียิบเข้ามา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 นับแต่ท่านได้เรียนหนังสือตำรับตำราทางธรรมธรรมะซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วกับนิสัยที่จริงจังของท่านก็รู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างสนิท ดังท่านเคยเล่าว่าเมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจเข้าไปเยเรื่อยๆโดยลำดับนับตั้งแต่นังสือธรรมะชื่อนวะกูวาดที่เป็นพื้นฐานแห่งการศึกษาเบื้องต้นจากนั้นก็อ่านพุทธประวัติทำให้เกิดความสรุสังเวช สงสารพระองค์ท่านในเวลาที่ทรงลำบากทรมานพระองค์ก่อนตรัสรู้ธรรมจนถึงกับน้้ำตาร่วงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอ่านจบเกิดความสลดใจอย่างยิ่งในความภาคเพียรของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งองค์ทรงสลรราชสมบัติออกทรงผนวด เป็นคนขอทานล้วนๆซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคำว่าการให้ทานได้บุญอย่างนั้นการรักษาศีลได้บุญอย่างนี้ไม่เคยมีพระองค์ก็ต้องเป็นคนอนาถาและขอทานเขามาโดยตรงและฝึกอบรมพระองค์เต็มพระสติกำลังทุกวิธีทาง เป็นเวลาหกปีเต็มถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธร ร, รู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่งถึงกับน้ำตาร่วงเช่นเดียวกันแม้เมื่อท่านได้อ่านประวัติพระสาวกอรหันทั้งหลาย ที่ท่านออกมาจากสกุลต่างๆกันตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีกุดุมพีพ่อค้าประชาชนตลอดคนธรรมดาท่านกล่าวว่าองค์ไหนออกมาจากสกุลใดหลังจากได้รับพระอวราชจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็ไปบำเพ็ญในป่า ในเขายางเอาจริงเอาจังเดี๋ยวองค์นั้นสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อยู่ที่นั้นองค์นั้นสําเร็จอยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในทําเลนี้มีแต่ที่สงบสงัดก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสขึ้นมาทําให้ใจหมุนติว้วเรื่องภายนอก ก็ค่อยจืดไปจางไปท่านเล่าถึงความรู้สึกที่ค่อยแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเช่นนี้ว่าที่แรกก็คิดจะไปสวรรค์ที่แรกคิดจะไปพรหมโลกพออ่านประวัติสาวกมากๆเข้ามันไม่อยากไปนะสิอยากไปนิพพานสุดท้าย อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอาหารหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลยทีนี้จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียงสองพรรษาแล้วสึกาลาเพศนั้นค่อยจือจางลงไปจือจางลงไปทุกขณะ กลับเพิ่มพูนความยินดีในเพศนักบวชมากเข้าไปทุกทีเรื่องธรรมะก็รู้สึกดูดื่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้เองในระยะต่อมาท่านจึงได้ออกจากบ้านตาดไปศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆ จนกระทั่งได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าเมื่อจบเรียนสามประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกำลังอยากเป็นพระอระหันต์นั่นเอง